เมื่อคิดตังสนามุสันติโมกคติมารลปันธนาเอบัดนี้เกิดเทศนาในศาสนาธรรมคำสอนของข้อสัมมาสัมพุทธเจ้าพูทธเนศจรูญเห็นจริงในคำสังหลายนั้น เพื่อเป็นเครื่องเชือนใจและเพิ่มงูนสติปัญญาพร้องขันธุทธตบริษัทธางลายมีเดชิดีถ้ากันมีความเที่ยบความละสยวางพื่อยากวางพัฒ ธ, ธรรมเทศนาหรือผ้ากันมาประสมกันในธรรมสสาพรลานีหรือผ้ากันสั่งใจประทำการบูชาคนพระรัตนตรัยเป็นีิเวงของสนด้วยอาณาจับูชา เดีปเ๋ปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชาโดยยิ่งให้เกิดนี้ก็นในส่วนของส่วนนี้ก่อนนะว่าขึ้นบุญเป็นกุศลเป็นมหากามเมื่อว่าจนยิ่งใหญ่เต็มเตี่ยมอยู่ในคิตสันดานของฝกศัลทั้งหลายบริวณอยู่แล้วตอนนีไปเป็นโอกาสตัวฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ ว, วาคําสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ได้จัจ่งรู้ว่าจะไปโสดวกปัญจาวคีไปพบพวกภัทธวักคีพวกกลูกกษับสามสิบที่พากันนั้นหญิงเป็นคู่ กันเป็นคู่คู่หญิงก็สามสิบชายก็สามสิบรวมกันเป็นหกสิบเป็นคู่เป็นไปเยี่ยมไร้าี่เป็นไปปวดขวกลูเวลากระเะลำมังอย่านี่ล่ะ น, นี้หญิงแสตยาเอาไปมันบอกมีคดขันกันผู้ชายสามสิบผู้ น, นี้ผู้หญิงมี 49, พิษเก่าเล่เสีหญิงแสตยาผู้หนึ่งไปมันตันสิงกระมุะ่นไหอดไรไฟเลี้ยว้ากันเชี่ยงเพื่อเชิญตัวกษัตรย์ออกไปนุงเครื่องของป้าเที่ยวดูไรไฟ หญิง น, นั้นมันไป ไ, ปไปมาๆมันลบมาเอาเครื่องแกงตัวหนี้ถึงครับแล้ว่านี่อันตีแกล้งเครื่องแกล้งตัวกลับเขาเมื่อแล้วก็ตามหาไปพบพระพุทธเจ้าไปถามพระองค์ว่าท่านเดินมาจะพุ่นหญิงผู้หญิงถือเครื่องหลายหลายสาพานส า, า, ายไปไหมสายพานไปไหมผัว พ อ, องฝัน่าสอบคำนั่นพ อ, องันถามเคลื่อนแบบหาจญิงดีหรือหาตัวดีถะวจนะสิพวกนั่นฝันมิวัดาสนาทดสอบถูกตหาตัวนั่นละดีงี้แหละเออแสงันอหนยาหูสั่งใจสร้งเล้าสุดเศษที่ฆ่าหาตัว เนเลยเสกเรื่องหาตัวยังกล่าวแล้วหาให้หู้จักตัวของตัวว่าบอไใหมันดีบอไใหมันบบดีใครก็เสือว่าตัวดีๆแล้วหาดีแม่บบบงบมกันห่ะมันจะนี่จัอยางหรือบมี่เลยหรือมันสีเนื้ส่วนจะดีทั้งหมดเน่สำรับเล่าโคกีเด รับคำสอนพระองค์ว่าเป็นถ้ำของเล่าว่าเล่าว่าอยู่แล้วสว่าโซคาโตฟกาตาธโมเล่ากว่าแล้วธโมนว่าถ้ำโซคาโตโงเก้าเลยดีสัมพิติโกผู้ใดปฏิบัติถ้ำจะเห็นถ้ำของพระองค์เองว่าเม่นไถ่ทีมาสอนอีกยังพระองค์ปฏิบัติถ้ำกัรู้เองเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนพระองค์กัรู้เอง เสงจมีผู้สอนกับเดวท์่นจะเปลี่ยนหายในงาเท่านั้นเพราะแมงเอียวถ้ำหายผู้ใหนนดหาผู้นั้นมีดจุดใดผู้นั้นต้องปฏิบัติเอาเองเหมือนยังกินเข่าไผ่กินท่านกันบ่ไรหรืนอนั่งไผ่ทนนั่้นกันบ่ไรเหมือนอย่งางนั้นี่ล่อจังว่าเมื่อพวกปัญเสบพัทธวัคคีสอบว่าหาตุนรดีโค้งก็เทิดหาตุน ว่าของปฏิกูลมันเป็นตัวดอกผมต้นเล็บฟันนังเนื้อเยื่อเนี่ ย, ย, นนยตัดใส่ใส่บอดกระดูกกระเดี่ยวมันบมเป็นปฏิกูลมันจะเป็นตัวอะไรอย่างไรไทยยังอยากได้ของปฏิกูลมากกอบมัดจริงมักเกียยมกักทิงมันมันนี่นี่จะเกเี่ยแทบกิงมันเต็มเล่าเยอะเลยล่ะ พอเราบผมมีปฏิกุณวา่าจะงามว่าใดีขันมาที่แกหน้าหางามมงเราบ่าเห็นนี่ะไเลยการผิจะกล้วนง่ามหรือบ่ง่ามที่แกหน้าน่ะเราต้องเลกเอามากินบ่ผมคนเลิกกัหนังสิกินได้หรือม่ตลอดน้ำหมูน้ำลายหัวคายิดกินได้หรือม่มันกังขี่จังขี่หูวจัก ว่าตัวเป็นปฏิกูลแท้และเป็นของปืนกันอย่างไรแล้วจะ่ของตัวกันยังบอกบอกการกินแต่และเราชีวะเทีงไหนกันชีวะตัวง่ามเ่ไหร่เดีย่ยวความปฏิกูลถี่มาสินตัวมันก็เป็นไปบพได้เระใครที่อยากได้มันมีอยู่กันยังเกียดอยู่แล้วถ้ามาดอกมากกับบ่อเดียวไว้นี่จะล่างถิ่นน้ำหมึกนําล่ายจะมีม่จะพมถิ่นเสร็จให้มันเที่ยงปากดัง จังกูวัดมันออกเสียดมอยมันนี่ติดกต่พอเกลียดมันเนี่ยเนื้อไล้มันออกเป็นปฏิกุลก็เป็นอาบน้าล่างสะอาดอย่างนี้สบูสูสมิดให้มันออกปฏิกุลเนี่ยมันเป็นยังที่ล่ะยังว่าขันถามมันสะอาดไสเสียดใส่เสียดสีล่างจะเอาไว้ให้มันติดตั่วที่จ้งแล้วใบ ด, ดอกไม้มาทัดใ้แป้งหอมมาผ้า แลก็ย่งเ็เดเรกก็ว่ามันดีบัดของขัวออกองบ่เห็ดออเป็นแนผ้าเชเ้ยนมาบวกไร่ขงบ่ผ้าหัวนี่ถึงง่ากี่ไ้ออกขงบ่อเอาผ้าผ่าผ้าแพร่ไปทังทีให้มันจดไปให้มันงามไปทังสั้นมันเป็นปฏิกุเนี่ยันทีแกนางเสียขบ่อที่แกนางเสี่ยบเห็นดอกแล้วสนันละะไรนี้จือมันเ็ปฏิกุลปฏิกูลอยู่ะ ยงว่าสันผิดที่โกผู้ใดปฏิบัติผู้นั่นจะเห็นั้มของพระองค์เองผู้ที่หน้าอังศีเรวผู้ปฏิบัติบ่แม่นสิเหตุอย่างอื่นก็เป็นปฏิบัติยังได้ว่าว่ามันมัมีปฏิบัติละว้อยู่น่ยง่ี่หน้ามีกรยบยืดๆพระพาดเรียกะหลุดย่างซือนงๆ เพราว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัติก็ยังไหวอยู่ถึงปูดถึงแม่เขาไม่ที่กัอย่างนั้นถึงอาถึงโยมไปอย่างนั้นมั่นโนบกึกบ่กกองให้มันเห็นตามขั้นสอนและพุทธเจ้าลงไปได้เนี่ยเมื่อมันไดเห็นง่ายๆนั่นก็บอกว่ผู้ได้บัติจิตเห็นทั้งของพระองค์แล้วเพราะตัวเป็นผู้ปฏิบัติเดี๋ยวมันรู้เห็นได้อย่างไดเนี่ยนี่ละปัญหาว่าบ่รู้เองเรากับผลมันจะได้อย่างไดรอาการดีโฟน่ะว่า มันได้รับผลบพามีการที่จะน่าย่ำไดรูแก่ย่ำไรได้ร้บผลย่ำนั้นเาเหมือนกับติเขาติดนามเต็ดเย็นนีจะได้เย็นหนาเต็ดงานทปลูกมะเขือมะแจงปลูกีหนีปลูกปชอรี่ไปเด็กินเย็นหนาพราะงัเต็มลงปได้ไดได้ผลเล่นนานานขัํนได้รับมสิ่นบานเย็นอยากินลงเวลาน่ะเนี่ยกับบรวนันคืออไรเราขัมกิ่นบานเราอยากินยังไงฮะเนี่ยขั้มพองก้าไปเลยดีเละ ประดี๋ว่ามันดีว่าเกาวยังเขากาวีนหนังสือเด็ดเลี่ยวตามแบบไม่ใช่อย่างนั้นเกาวโดยเพราะมันเป็นแล้วยางพาราขุนนั่นเชียวมันเป็นแล้วโขงกาวตามมันเป็นแล้วนั่นแต่ยังว่ามันดีว่ามันเกาสิเกาดีเกาวถูกก็มันเป็นแล้วก็ว่ามันตามมันเป็นเล้เราฝันบ่เลยบ่อว่ามันเป็นซ้ำแล้วเราว่าเปน แค่ดีๆีิว่าพู้อยู่ในคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างไรยังเชื่มันออกนอกคําสอนพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ส wow ิว่าเราเชื่อแค่ไหนเชื่อเราโบเห็นคําสอนพระองค์สักอย่างเดียวยังไปเห็นคำลูกโลกคำผลว่าพระฏิคุลหรือ่เห็นดีแล้วเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เพราะว่ามือของพระองค์เพราะว่าโมยังไงแล้วมาโบเห็นตามพระองค์จค่อย่างเดียวเลย ก็มเห็นตามพระองค์มันม่อมในมูนม่มลเลยเลยเนี่ยมู่เดียวฤทธิ์ดีเลยดีเฉีเห็นไปตามโลกโลกินสัมโลกมันก็เป็นเดรยวฤทธิด์ดีตัวน่ะเ น, นี่ยนี่ละจังว่าสิ่าท่มของพระองค์ก้าวได้ดีก้าวถูกคอมมันธิสิ่งหญพระองค์ก้าวสามพันสิ่ ง, งถูกเก่งทุกอย่างจะพูดถึงความมีไอความถูกเก่งเฉียว มันก็มีอยู่แล้วพองกัตามกาวตามข้ามันนี่อยู่แล้วให้เขารู้เท่านั้นพอเราบรู้แล้วว่าใจดีดีเดีย่ยแล้วว่าใ่รู้เล่าอยู่เนี่ยมันเม่เป็นอัตาสระอัตาตาะัะตนมันเป็นอาสระคือความถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนมันในหมืดม่มนัวเนี่ยอาสระนั่นเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องดองใจให้มันเมาให้มันหมืดมันม่น มวนกระว่าเล้าออกเข่าดองผักผักมันมีรสผมบ้างเคี้ยนบ้างบัดเอาเข่าเสกเข้าไปเราฉุบทั้นมมันถูกส้องด้วยเข่าทังใปเมื่อเล่าเสร็จผู้มีไก่มันถูกดองด้วยซอว์วัตต์กตัวว่ามันตัวว่ามันตนว่ามันเล่าดีมันจะดองเท้าไกแล้วให้มันเม่าไปตามเร่องว่าระหว่าดีวัตเล่าไปเฉลี่ยไปจังหวะอัตราแต่ว่าจนสาวะ มันควบคือ้อตัวตนเป็นอาสวะอันใหญ่โตที่กว่าอาสาวะอืน่นว้างบ่อใดดีใส่ไม้บานไม้แงนยั่งถิง่นใดขอมเงแม่พ่อบัดตัวสิ่นบ่อใดดีเอาแลนหนีเนี่ ย, ต, ย, ย, ยตกน้ำตกคาแาหลมแค่จมไม่เที่งยงของยั่งถิง่นใดแต่ขอเอาตัวหลดก็เป็นการดีเนี่ย ยังว่าตัวนี่มันสําคัญมากล่ะเป็นของที่ถือมากก็ค้อมก็นั่นก็ซ่อมทีเดียวล่ะก็สิ้นอินเลยยังว่ า, วามันเป็นเที่ยงดงองเข้าใจตัวยโย้ความถือเฉยแล้วให้หมึดมนั่งยุ่งเช่นล่ะมันเป็นอาสว ะ, ะมันเหมือนกับจะหนิมเกิดทับเล็บว่าให้เล็บก็หมึดจริงนี่จะสีจนิมยังเือเออเฉยผมมีสุดรเล็กก็เลยสีสนิมกัดแล้วจะนั้น ใช้งานบ่ไรอันนี้ใจเราก็ใช้จักงานบ่ไรหรอฮะเนียมันเกิดอากาเหมือนกับจะมันออกจัดมันพัมให้มันเป็นเสนเหมือนสัตวมันก็ะเด็นกระหล่อมระเล่นดีกรสนเหลวเดชะุกจะอ้างดีสันเหลวมันบ่ไรข้อเบื่ออบานก็เชื่อเหลวนี่มันเรินจังยงว่า เล่าจีวา่าเราถือสัพท์ถือของมากกวเรามันปรแมาณแล้วไปคิดบังคับใช้ใหม่บ่อจกเพื่อนบ่อเฉี่ยวเฉี่ยวจกน้ำบ่อมันถิ่นได้ตัวเราถิ่นบ่ได้เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดโรคเกิดไข้หรือหากว่าเกิดผู้ร้าก็บม้อยมูญใหญ่เขามาปนมาแย่งของของเราถินได้ไ ม, ม่ง่ายตางตัวเราต้องเอาหัวให้เก็บ ผู้ไร้ค่อยให้จนได้โตบยงย่อมหันพอแทมก็สิ้นใดทั้งหมดความที่ถื่อยังนี่เลยเรียว่าเป็นอาตาสะวะเนี่ยเป็นอาตาสะวะเครื่องรองห้อจเก็บของพอจะได้มาเทศเพิกออกแล้วเนี่ยเศษคัดเศษเก่าออกให้เห็นอาชุพะมันเป็นอาชุพะให้เห็นมันเป็นเครื่องพอกความถือว่าเล่าว่าดี ศาสนาเลี่ยนทุกตามมันนี่โยให้เราลูกให้เราเห็นเพื่อจะได้ฟอกใจของเล่าอธิมันหมืดหม่น้วยอาสวะมันห่อหุ่นนออกให้มันบางให้มันแก่มันใสขี้หน้าเนี่ยพระพาองก็เป็นที่สัตพ์คนเป็นกษัตริย์คนบม่ได้รู้เลยเรียงกว่าพ้นทิเจะออกบรระชาแต่าด้วยวาสนา นี่มีมีทั้งสามมากปากพบไข่เฟินไถเหินบรรดาไถ่เฟินไถเหินมีมีทั้งสามเพื่อค้นชราหนึ่งคนแก่คนชราหนึ่งคนเขาโลค่าพญาตหนึ่งคนสายหนึ่งไถ่เฟินดเดือดเลือดเริ่มจะมาเนกหาทางจิจะออกจากของสามอย่างเนี่ยจออกางไหนเนี่ย ที่ไปเไไชิอไถ่ใช้ไร้กันได้ใช้ก็เป็นยุคประจําทุกคนทุกคนเล่ากับผู้นึงอยู่เขาพอมาเล่าเป็นกษัตริย์ว่าเป็นที่เพิงเราเอาอยัางให้เขาเพิงหล่ะเราก็เป็นยังเขาอยู่เลยที่แก่แก่เก็บตายยังไดได้มันวน่านีแก่ได้แล้วเพราะตัวกับเป็นผู้นึงผู้หนึ่เมื่อพองเห็นที่ไะแังได้ร่อน ใจเพิ่มมากา เ, า ก, เา ก, ากีกกาากเ่ยว่ใใับล้อนของเราไทยคุณว่าตามประสาทใ่จิงกะลอนใจมีรามากเลยบอกข้อใจไม่สิ้นกองในภปราสาทหลัสมนเทียนเด็ดในสีนั่งลักษณะเมียงเช็กยางพะพยูรยาาพ่อปันกันกับบุคคลนผู้เห็นเราวลัศ ส, สีหรือสืวเขามาาถึงจัวแล้วหรือถึงพะพยูรยา่าแล้ถึงประสาทแล้วถ้าขึ้นโยมกจิกัดกันละ ไม่จังจะสีเลนเนวตลอดั่หละมันจังสิคนก็เห็นอย่างนี้ทั้นใดพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นวันีวันสิบพึงวันีวันเสียใจลดพระโลกสามยางนี่นมม เ, เ, เป็นโลกวัมีใครกียกียรราบปดโรคข้าวญาตตายนี่ใครเกียร่ังเห็นเศษบรรพชาหม่ า, มาหวานี่แต่แท้จริงเป็นเคยืดุปฏิบัติมจจาจากพระูเทยทั้งหลายเข้ามืบวช ด, ด้วยมาบรรดา แกหากว่าฝนอว่าเป็นพศุราว่าเห็นเศษบมรัศนามาปรากฏคือเนักบวชแกบุญใเห็นได้แกกรย่เห็นคนแก่น่ะคนเกยไว้ไขขบวนใชเห็นคนตาย่เห็นตามว่าผนักเทวดามานิมิตให้พระองค์เห็น พอโง์เป็นยูเดอยูเดทขึนสุขกรรมุกรราลทาเพราะพราดสะดิดดาได้รับขั้นอัน่ายของหมอคันออกบวชถ้าคันยูได้คารวาตจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ถือจะได้มาช่วยหรือสมพูดถือจะได้มาช่วยถนออกบรรพช้ า, าจะได้เป็นสะอาดสบายอยู่ในโลกพระเจ้าชื่อชนาผู้เป็นพอเพอยากให้ออกบวชอยาก ให้เห็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดอยากเห็นพอเดียินี้จะซื้อว่าจั ก, กรพรรดจั ก, กรพรรดไม่เห็นอยากเห็นอยู่เป็นบางที่ล่ะยังได้เตรียมผ่ารักษาเลยซักวายค้คนเข่าคนแกะก่าราระบูตรว่ า, า, าววเขาไปเยี่ยมเยียนแล้วเขาไปให้เห็นด้วยถึงจ ะ, สะเสด็จไปที่ไหก็ปองนี่พวกตำรวจเรียกว่าลาดกระบูตรไปประกาศให้คนหลบ เขาแก้โลกไห้บวชหินข้างดูวยไยุ่มแถนให้เห็นต้องเสริมตัวว่าเช่นสิรักษายังบาริเห็นยาเสียเพิ่งไปเห็นในเวลานั้นแหละวาสนาแก้สิดอกบวชนะละเป็นสามะไหคุณน่ะว่าเช่นสิในแบบเชิเก้านี่ยแค่ริงน่ะนะเพิ่มที่แกน้าแล้วตัวเพิ่มฮารา พอเป็นมีววันาหรือทีจ้าหน้าอยู่ตัองแต่าสราหลังเป็นเทศภิกเจพกปนั่นแล้วก็เป็นพระสงฆ์กับปนั่นเป็นพระาขาวกับปนั่นปฏิบัติเหตุ น, นั่นเที่ยงลาความรู้เป็นได้สะสมม า, าในในเกศเป็นที่เจ้หน้าอยู่ เบบนี้ยางที่ว่าเมือเ่อ่นที่ออกน้างรับสนมควับันเลงท่านเช่นคัดพอดะพ่อใหม่โพง น, น, นั่นถูกดีว่าเห็นพระองค์นันแล้วประตืนขึ้นอัานพระองค์นั่น ผวกนั่งนักสนมผ่านนนนำ้นำว่เป็นเน่าไม่นเหมือดขึ้นท่อนบริ่งแจกร้านนักขันพระองค์โบตุลยากระโบส่องนังบัดนี้เลยข้อนบวหยเล่ถอย น, อ น, นั่นนั่นได้นันน้อยเคยกายกันจมตาน้ำไร่เหนื่อยว่าฉันผวบนั่งนักสนมน้ำประคบ ม, มันเล็งสารพัด เป็นเป็นต่าๆกระตันยำปากกระตนนั่นล่ะท่นเลตื่นขึ้นมาผลเลโยปาสดีนแท้ๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคนบท่านตายกันลนเชิมาันตื่นยังคนตายเป็นยังเรว่าเป็นปราสิาทีนิตเราอยู่บนใดหรอกเนี่คนเลยไปซะแห้งเป็นพราะเพิ่มใหม่นลลอมใจไงฮะหนูจะกป็ยังนิ่ววงอะไรอยู่บ้าง เฮ้สีเลนานักสนมอ่ะบาทนี่บ่มีห่วงขอเหตุไดฉันไปลูกึ้นอย่างนั้นแต่พอคนที่จะหน้ามาก่อนอยู่แล้วทันมาเห็นลักฐานขึ้นสอบอันเนี้ยพบนั่งลักสนมกบรรเลงบํารุงบํเลิกนเล้ลลลเเ ย, ยนนนหายนคนน่อมทนมาติ่งสิงนี่นะคันตาหาก็บวบ่ได้พี่จะหน้าเราก็ยั้งพวกเาก็สินงนั่นลำข้ามยื้อเห่แล้วอย่างนี้เสียงกัดตั้นเด็กเี่ยวปาก ปากจุดปากจุดจุจัจับเห็นน้ำลายเหอกิ่ว่าโอ้โหนาเกียรสิแพอปนันหนึ่งว่าบอก้าสิหนีจักป้าสารเรสมมติว่าจับขีอยูทีอาศัยหอกจังพเข้าก็บอก้าบข้าสิหนีจับบ้านจักซ้อเหนือเนี่ยอันนันเนหนีว่มีห่วงเลยพอเป็นใครดีที่จะหน้าจังหวะมาพูดถึงเห็นค้นแก้ก็ตามคนที่จะหน้าคนนั่นเลยเห็นกน เขาพยายาโลกค่าเลยสายคนที่เจ้าหน้าคนหันเลยคนลูกเป็นได้นี่พูดตามพระปรมัติวรมนพูดเป็นพระสูตรเป็นพุทธกุศลทีานเนี่ยว่าพูดเป็นธรรมสิฐานเนี่ยละเล่าไปชิงย้ำว่าคนโง่ว่ามีเงี้ยนิมิตไปคนเห็นไปดูปูกคนนั่นกับบแมนนเงาเป็นผูกจนมาเป็นศาสดาเป็นผู้ว่างศาสนาสอนต่อเท่าตัว เพิ่นจีนี่เนี่มาเตี่ยนยังเพินตงลูกคือในเพิ่นแบบบรรดาลูก่านี้เนี่ยนี่ละเหนน็ุนั่นยังไงว่าพระองค์ต้องพิชกาลหน้าว่มีเพิ่นสิไปลูกเองดอกยางขวกเล่าผู้อยากคนถูกเลาก็พิชกาลหน้ายงางะอมเงี่ยว จะพระ อ, องค์ว่าผู้บริบุญมนวาสนาแต่แท้แต่ยังเลยที่แกห น, าน้าละคนยังเลยรูดาอันนี้เราบอมีวาสนานพ่อพระ อ, องค์ละเขาสี่ไปนางนางละน่าไหนมันวาสนาพุทขึ้นหเห็นความปฏิคุณขึ้นให้ใจขึ้นเห็นความเป็นโลกเป็นไพ่ชุกงา่ไยหิวขึ้นมันบรเห็นเนอล่ะนี่จะดีทัดมันเล้งอยุ้งสี่เลี่ยมเมื่อมนต์อนตะการนี่คือละเนเ่ยนี่จังละย่างตัวขอไปเจ้า เดินยังกลมจะสั่จะหันแล้วบ่ายหาโมยังเศร้าพออยากห็นถุกมันเพเห็นเนี่ยไปแกลงไหนเ่ยเบินมันก็เนื่อะไรเด้แต่มันคิด่าเห็นยังไงเนี่ยพ่าเห็นทุกกระเบนเนี่ยต้นตายด้วยเนี่ยถ้าทุกไงเนี่ยมันหลายถึงกระตายหมดและวเนี่ยสายมันยู่ยไปอันนี้แล้วพ่อตายบ่ดิ่กรถานจะของที่ผลนี่สียกันยังไงเบรท่านพ่อตายแต่มันเพท่านถึงบ่ายหาลพเศร้า แต่ว่าเดอนไปนั่นแหละจนเส่กันี่นั่นแหละก็บอกว่าไอ้เสะก็เคยทางานเส่อยู่ดอกใคหน้า้งเส่ดูเมือก่อนที่ไทยเมื่อนีอย่างแห้งเดูหรมคุอันนี้มิจเจเสะซีซีบอกได้เห็นว่าที่ร่มก่าเธอไปเดินไปที่แล้วผที่ซื้อก็เห็นขึ้นมากกับแม่นว่าอะเนี่ยพอมว่าทุกๆมันอยู่ในสัวบอสแมนอยู่ในดินดอกบมสแมนอยู่ในเดินดอก มันอยู่ในตัวขันตบอมีทุกแล้วมันบอเกิดดอกแฉ่งเดินมีมันนี่แหละมันก็เกิดขึ้นกันละมันเห็นเกิดเห็นนี่เซียร์ลบูเซียแมนหรนิวแมนเองว่าทุกทุกเอาองเสียละผลที่สุดมันก็ว่าแมนนั้นแหละมันจิตเกินแล้วซาละมันมันยังไหนเนี่ยเพราะมันเห็นอยู่อะมันจีบบอดแมนยังไหนเนี่ยเนี่ยยังเียละ เห็นนั่นจ้าเดือดอยู่ยังซีมันมทีิราที่มันได้มีอิทธิแบบรั้นชื่อมันจะหดเป็นหกเพิ่นเพิ่นหลงวงว่าจะเนี่ยมันเพิ่นสายออกมากเล่เลยออกมาแต่เส้นปวยจันดอกอกมา ก, ลมออกเลยหรือปวยเล่เป็นไข่จึมบวมไข่จะเป็นดีสัน่นตังได้เห็นตัวมันใจข้าเบิ้งกระดูกขากระดูกยั้งนับเบิ้งมันทรายแพร กระนก็บอกเห็นแล้วเป็นว่าเท่านั้นเท่านี้มันบอกเก น, นเงี้ยแบบว่หลายเนี่ยก็ได้นับเอาผลที่ซื้ก็รู้ได้ว่าดูคิ้อนดูกลางมันนับจะดูมาบนแอลกิวมันก็ บ, บ่ไม่ดูละล่ะมันไม่ดูกมานับมาในคิดเบี่ยงขางเลยคิดสองคิดสามกดูอัดดูไหมลา่าทิ้งทีละอันเนี่ย กักคัดกัเหยียเฮ้ยเลาก็เคยเห็นม้าจายแห่งมันกลิ่นหรือมันเนา่านั่งแกกระดูกกระหางเล่าสีวาา่ามาง้าบออันนี้เราก็มีแค่หนังตัวเนี่ยมันห่มหอกับเนื้อกระเจิงกระดูกก็คือแต่กระดูกหม้าเนี่ยเล่าสีวา่าง่ามบ่นไดเนี่ยนี่มันบอมมีนเนื้อไรหนังปูดออกชิวสดอกมันอวัยชื่อว่ามันง่ามมันบองง่ามขันเบิ้งกระดูกกระหางกันสัต มันทีนี้งั้นเนายว่าวก็ติดมืบเมนมันไปซ้อกันเป็นดูกดูกกับเปองฟองนี่หนังแล้วนี่เสีย ง, งห่อรัดรัดเรื่งองไว้เฉราะเป็นดูกเดียวหาดุกเดียวมันเดียวยเพรารเหรมันกลมเลยเพรไรนมีมันเป็่นกับกัทอนกับตจกันหนานกันไปงี้ทีละคนที่ซุบจะเห็นตัวโบนี่รักฐานนะฮะเนี้ยโบี่แกนสารว่าดียักษ์ยางเนี่ย มันเห็นอีเลียงที่แบบมันยังทีเห็นได้ห้ามผาองขันบริเวณอีเลียงที่บริเวณเนี่ยนอน้กับเมื่อมันเห็นจิตมันสบายใดญมานมาน่านพบล่องเฉียงนางตัวนางโบท้น จ, จมึนจะสะาะจะปวดจะขัดขาปวดเอวมึนตีนมึนขานางมันต้งจะชี้ถุมควาดหดเข้าคุ้มเข้าคุ้ม สี่สาม phút สี่สี่ยังเศ้าที่แกนหน้ามันเข้มสงบสงบมันก็อยูว่ว่นใดน่ะถ้ามันเลยคือหน้าถ้าเอามันเทียมออกไปที่แกนหน้าเบิงกระดูกบ่างดุ ก, งดกางดูหลังเบิงตัดเบิ ง, บงไสเบิงไตหาบ้านเป็นสราระอย่งนี้นก็บม่มีอะไรรู้แล้วก็ไปลูกยี แางมันเหยื่อวามันเนื่อยที่จะหน้ากัพพะพักมันร่วมว่างมันอัดว่างมันเอามันก็ว่างได้บางมันว่างบ่อไรก็มี่เอาวัดเอาบางก็มี่เอาท่อมไตเอาคันจีใส่ไปดีหรอกมันเนยปลูกก็ได้ใช่ขันจีปลารมี่ก็เนี่ยฝนกรอบ็ิลป์บุญโต๊ะวัดเนี่ยเล่าจิตว่าของเรีวบอกให้มันได้ขึ้นในลายในซอก คัน e ีบ t ลานีเน mm ี hmm. ่ยเสนอว่าคันดีบาลามาธาบาลานีสัพโออิิโสว่าเวลทิปปีลักะอันอนุตรโลอันุบละอิทิปโสบก่ลกะอิทิีลักะทุโตวัตสโสบก ถ้ามันก็น่ากลัวนี่ธรราอยู่นึ่งบัวนี่ชนอัตตาอัตตานี่ยังบูรืมว่าเป็นโตนี่แล้วขันธ์สี่พันปัดจัดมาเป็นโตัวยิริยเพันจัดเป็นอนุสโลเป็นของเล่ยเนี่ยนี่ละก็เรียกว่าเป็นผู้ได้โฉลบันีิดีใจเออได้รสเรียกว่าได้โดลบ ติดบุญนันไงงี้กี่ล่ะโคตเอาแล้วนักหาทางคิดยังไงให้มันว่าคนลนี่สุดมันก็ว่างไปเองพะคนเหนื่อยมันเยอะคนหลายมันก็เลือดร่วมมันก็ค่อยดันไปเองเออไปหายไปงีงทีละ่ะหรือหากว่าบ้านมันเก็บมันปวดนั้นดัน ลบมันดันมันดันแห้งมันก็ลันเองโควดหายไปเงาเงาเาเงาไปบางทีละหรือว่าดันปันดูกรามันดังปดบางทีมันไปหายไปเอาปฟนฉันละจำได้ว่าคือทัดสวนต้องการให้มันรูกจักทุกมันต้งคิดอยู่ได้เนี่ยคันบอสันมันโยบอได้หรอก ควมยากเสมันดันอยู่งเนี่ยมันจิดันแห้งมันจะอยู่ว่าไรนี่มันตื่นสิเมื่อมันเห็นอยงที่ไผมันก็ะเซ้าดอกยังไผ่แตเห็นม่าไงไผกระบอกก้าแบกดอกบอกก้าหยกว่ามันยกว่าไรอันนี้เสือมันเห็นทุกหลายแล้วมันกับโต๊ะงว่ามันบ้าเลือดร่องอะใจนี่สบายละเล่านี่เนี่ยมันเห็นขึ้นมากโอเคละเอาไปนี่ นอกนั้นกางเกก็นั่งเดินก้มสอดที่โมงเราเดินจนนั่งจนปุ่นสะหอดบาดหาคือกันละเอาไปเอาเนี่ยนี่ขืนมากกว่าี่ัดขืนมากกว่าี่พก่แกนามั่นเงวัดเช้งจุอ่าเชินพี่แกนาเึิงเอามันหนีไปที่ละเนี่ยมันก็เห็นที่แล้วเว้ยเหตุที่มันทีได้เนี่ยเชงพระองค์ก็เห็นทีหลีเนี่ย เพราะเรบริบูรในวาสนาเขาขบวสันทําความเพี้ยนบดเด็นนางเลยเขาบอดเดนอนเด็กจะนางกเ็เดินก็ยิงดีซีซวันเดียวเนี่ยจะลบว่องก็ปืนประจะพี่ปืนกันยังไม่ได้มักฝน น, นั่นเลยนะบดเอ็นครับไขลานั้นุกจะเกิดขึ้นจนท่านบา่ได้จนกําลังมากมากจนสลบนั่นเดียวลมก็พืนประจะพี่สลบไปนั่นเดียวผู้หญิงยังเดาหมักสมอสวรรค์ 8ลูกเอายาทิแดแทกมาถวายไข่โพองในสันนะ่ะในเซเวย์ยังยไกไปขึ้นถึงเมื่ะไรนี่ถ้าปยินบทเป็นเอามัดถมาม้เซเวย์และไข่สันนี่กเพิ่นกับจิตสวนรค์นกตไปนั่นเดียวแล้ว น, นี่หากว่าเพิ่นนิวัฒนาพยินลูกยุ่นว่าเพิ่นจะได้เป็นปกติเกา่าพยินเช่นเอายวยาติดแทก ส, สมายแปดลูกมาถวายเพิ่นสันนะ่ะนี่มันเป็นเมง่อ่นี่ล่ะ บ่ามนคนจิไปนางเอาพุท ธ, ธดอกเผนคองเที่ยงเอาพุทธพระโมกกันลาบพระสารีุสก็อย่างนั้นองค์นั่นท่านคองเที่ยงพระโมกกันลาบเกวัน์บริเวณด้อนเดียวนางนี่ครับยืนก็เดินพระสารีรุสก็ลาไปอีกอีกเกศวัฒนเป็นคลิที่วัฒนยังได้มักไยขุน เ, เดียวบเวนนนี่น ไว่าไผกับอาศัยความเทียนยึดจังกันล่ะระวังันในว่างขั้ตอนว่าวิริเยดุคาบเกตีอย่เนี่หรือว่ายามมเทระปุลิโซอยู่นี่เป็นรักไปยังสิละวิริเยดุคาบเกตีวิริ์เ้ยไปวิริยแต่ว่าเี่ยดุาเกตูได้ทุกจะได้พ้นจากทุกข์เพราะอาศัยความเทียทีเดียวบ่มีเียนบ่มีสางเสียผลเลย่ะทุกข์นี่ยสดยอังเนี่ย นอนานกว่ายามเมเสลาปุริโซกับเพื่อการวายาเมแต่ปว่ายอยู่คือคนจุกน้่งที่ไปอยู่นี่นี่ต้องตายบทถึงฟังดอกต้องเป็นผู้วายกวักยัวว่ได้ยุติย้อนอาผิดถึงฟังจะเทียนนึงควาเหตุอยู่นั่นเนี่ยคนทีุ่กกระถึงจริงๆขันโบนีอันจะไล่ปลกตาปลอกที่ยังมาตัดมากิน สงเนี่ยนี่ล่ะขันก็วอาเวงชีลาขันนี่เราเรโลบ อ, อ in มี่เคียดที่อย่างล่ะกันทีเดินน่งโกงกับ่เห็บทิ่นั่งสมาธิกับบอมี่นี่เจเ้ากันนั่นหลายๆพัดน้องทับหลเนี่ยใส่ะฮนีนบ้าว่าตัวเป็นผู้เป็นผู้ปฏิบัติเตุนี่แงว่ามาทีนี่แล้วกับปวยเราบ่เด้นั่แทะเลาะเราหักเบิ่งอยู่ ไหวหลุดแห้งหายเรานเลาเสน่เรายังมีนางไม่ได้เนี่ย้าสั้นยังหันแล้วเราก็ไปพักพ้ชีโมงเศร้าคว้าเราตื่นเ้วก็นางภาวนาเลยเราเดิน ไ, ไม่ได้เก็บขาเราก็เอานางห้ยคิดร่วมออาคือยังเราเดินหายคิดร่วมธนาล่นนนละนี่เราก็นัง่งกระเทาะก็ร่วมได้ดอกกันเลยนาง พอมันร่วมได้ไปนานสัมก้มกับเจ้าใบหยีกนึ่งโมงนางอีอย่างที่ว่ะเพราะบมันบดเดนา่นเข้าเดินเดินมันได้จนโช ม, มง่งสองโช ม, มง่งอันนี้มันได้เที่ยงว่าเจี๊ยบโมงหรือโ ม, มงเท่านั้นมันเข้าซามันขัดขานั่นกับ หัเร่งใส่สวักลอสุ่มแล้วกับบ่ท่านเฉินกระดิตองนั่งสมาธิไหวแล้วพระเราจนั่งสมาธินอนนั้นออมาหาเมือหาเมือิศิกษ้ศรัมาใส่ขี้าได้หันมงนี้เสร็นวดเสียนดนยั้งทีโมงพาชทุช่มเข้าไป เขียบนั่งดีครับยังคอยนอ่งเ็ดยืงสี่เหลี่ยมได้เุทธิ์สอกดเห็ดสงบอ่อย่นีความสี่ทกหน้าอยู่ธรรมดานานๆนั่งทีหน้าอยู่นั่งก็ที่แกหน้านั่งที่หน้าตามสี่รูเแล้วก่อนธรรมดาคนได้คับเมื่อหากได้ครับเราคิดไปถิบนมันใดบนหาใดสีได้บนไหมันไ่มีเวลา มันต้องบอลได้ก็เก็ดบอลัน่ะหาบอลันนั่นล่ะให้มันได้ขึ้นหลายๆอันนี้เราก็อาศัยความเที่ยนมันได้ความโู้มันได้ความเย็นใจแล้วเราไปถึงความเที่ยนเราสือเอาหนังอันนี้ให้มาเย็นใจให้มารููกไปยีกมันก็บะได้ั่นละมันกต่นี้เป็นที่ห่อนขึ้นมาสังราคันตาทินเนถ้าพองค์ว่าไปแล้วว่าอาชชาติพลรมามันตา มันสาแต่ม้อนม่อนของอสีหนิมของม้อนโดยโดยแกะควบมันเลยโดยแกะควบมันจมม้อนทองสปนสนิมม้อนเงนมากจะอื่นเงินมาสิปนสนิมของม้อนผู้ไดได้ม้อนแลักขัดม้นจมคุ้มม้อนผู้นั้นก็สีรึมเป็นสนิมพับเลยโคกกลมลืมเนี่ยส่นว่าจริงจี่อันนี้กับเครื่อกันหาผู้ใดหาสัต์โดยเป็นผู้บอาเป็น ผู้ไปหายางที่สูกใค้ได้หรอที่ไปนางๆงเรานอนไห้บอลไฮบอหน้าบอมันเกิดตับชื่อๆเลยขายได้เงินไปยุ่ได้กินกับพกเป็นป้าที่นโมเนเดียวมานกระจองไปเฮ็ดกันล่ะกันว่าชื่อขายโดยชิ้นได้ของเป็นมันสัมผร้างบบกหรือก่อยแต่เฮ็ดชอหันล่ะมันยังคิดอะไรก้อไปไปเฮ็ดได้เราก็ไปป๊บิ่นแคเราเห็นมันไปเอาาช่างไดไมาให้มันได้มันก็บอะไดเหรอ่ะ มันนางนางนาน้ยมันได้ไ ม, ม่ให้ใ้เนี่ยี่ได้ซับก็ได้มาเป็นเ่องจนุกเค่องใส่สายยูกินเนี่ย น, นั้นมันยินได้ก็ยินหานั่นล่ะข้างซับก็ดีข้างคนทุกข์ก็ยังชี้ล่ะยิงลูกก็ยิงถำนั่นแหละมันจียงชีไ้ไปป้าบิ่มฤทความรูกก้ของมืดม่อนขึ้นมานนเนี่ยบอกนี่ีได้เมี่ยนลาลูกยังชี่ละ่ะเด็นนเจีได้เ่า ยางที่คถาเพื่อนเพื่อนว่าอะไรวุตตัสสุวะอทาวังวทซามีอิทาเมันยินเฮสุอบร่วินเตสิอันตรายย่างมาพุทธสีท่านาเกัไปท่อมเพียอกกอาแลกบปณิไปเรื่ย เพราท่านเขาหลงดอกไปเคลื่อนหลอให้อายุวัฒนอื่นไปดงไปดอรอทร่าไปพูกไปเผ า, าลาะพอไปเดี๋ยวนี้มันหยายังคุกมันยังฝาดขาฝาดแพ้ขาให้มันเจี๊ยบหรือให้มันเกิดท่านเกิดตุ้ม ไ, ไม่านะยังมาไปรอกไปหอเดยอเย็นยีขังแร่องยังคอยไส เี๋ยวนี้มันไปบมได้อแล้วล่ะอันแดกกับนี่จับคนจับคนจองคนถามถางเทไทยเทปหน้ามัมีป้านมีดวงบันจิตไปอาศัยดีจ้าก็เลยมาเนตเข็นซ่าเออวัดโสกสร้างเสตป้าตกเว้ยเพราะว่าที่ชาววัสร้างวัดที่ามีวายอยู่ในพันาสามเดือนวัดที่ามีนะีนี่ กีธาเฮมันกัยินเสูเนเฮมันกับะดูเะีรูหนาวคนไหวเสียชวิมันกับ่ไปบ่ได้เดวอันี้กัป้เจ้ากอดาก็เลยกีธาเฮมันกะยิเสชกับที่เวนีรากีธาวัดซ่างวัดทิามีวัดระดูฝนนยุคจำมันสาสเดือนห้เรก็บที่เวกยูกันซีลาินจะเป็นที่มันตลอดูละรมงแคยูนีระก็ยังซี่หรอฮนเนี้ยเนจะเป็น ว่าสันสระดูดูฝนเฮติเนล่ามันดงเรีวเฮติเนล่าก็บเฮตอยังสี่เหลี่ยมฉันว่าถามันมาเก็บขาสันหลังนี่เดินคมหรืไงแต่ว่าสอนมูให้เดินหรมันมูก็บ่เดินสันล่ะเอาฮันนี้ว่าราจะปฏิบัติฝนที่สุดก็บเห็นไผมีกาลังสันเหล่มเมาแล้วฮันนี่นี่ละแเล่นเะหัวคุยกัน แน่นก็เป็นนักป่าดใหญนางคุ้ยกันมัดมือ ก, ก็ได้ันหากให้ภาวน่ า, หานเหตุบุไรเ่็นนแล้วให้ดูหนังสือให้ฟ้อเทบรคุยกันได้มดมือนางคุยเหื่อยหรือนอนคุยเอากระไดบาดจีตัตางทหนังสือนางทหนังสื อ, สอบุหรี่ดีนีมันเป็นอย่างบุธนนัน่นละ่ะเพิว์ลพญามาสมันจิดสัน มันเป็นของให้ทำไปหมดม่านบันไดบันดาลบันดาลบันด so ุลบันดาลใจให้เห็นเป็นของยากที to to ่สุดอันทางสิทุกข์กันเห็นนั่นพระองค์เจเนบายังผู้เชกดคาถาเรยกไว้แล้วว่าเอกการล่างอาสีรํำคูหาสยยั่งเย่คิดต่างสนิห์เป็นทีหมกันสีมารบั้นานะน นั่นละเอกจรอั่งจิตมันบม่มีสาศัยร่างกายดอกเอ้กรจริญอาศัยร่งอาศาัยร่งไ่มีอาศาัยร่างกายเอการจริญเอกาแปลว่านึงมันมีจะมั่นผู้เดียวละเกี่ยวไปกำเคลืนมันก็ไปบอกส่วนไปเลื่อยจิตา เอาเจ้มันติยากไปเธอเขาหวงเขาป้าก็ไปคิณปู่คุณเขาปรกาไปเขามั่นหลาลึกไปลงนาโมบก็ไปเขามันฮาาวเอาอุจจารอนหลเขชาวบ้านชาวเมืองคีวๆคล้ายๆสารพัดใดๆเชียเสียหลักๆร้าซ้หลูกเสียงคินรอดตายตาเพิอดเอาเจ้มันติไปผู้เดียวเยืมงกันละคัาชีกเขาป้า หรือสิขึ้นปูขุนเขามันมี่กายเออยันจะเลยยันอันตรายของกายชืกเสือบ่างงูบ่างีย่งมันจิมากัดส่วนเอามือก่อนเนื้กเอาไปส่วนเอามูอนั้นนึกเอาไปเอาไปส่วนเอามูอนี้ไปด้วยดีว่าถ้าจุดเกกันลุกพึ่งกันได้ต่ห้าส่วนละขันจะมันเราวิ่ีส่วนไผ่ไปเออพอมั่นวิ่ีอันตรายมันบิ่งอย่าง เยดเบมันได้มันเป็นของละเอียดมันจะไปเมื่อเลบวมสิมันไปที่เขาพูกเขากันอยู่ปะเนี่ยมันโมจัดหมดมันเด็ดบิกเบิ่นหมุนผู่หมุนเขาไปเรื่ียมันคิดไปสัตวเมื่อเล่าบวมปั๊บก็เห็นเจ็บปวดก็เห็นว่ากับเมื่อหิวใสจักยังมันกลับขึ้นมาคืบกันหอดตัวปั๊บเนี่ย มันเป็นยังสิยังว่ามันบรา่ยงเีอย่างเช่นมันบี่งี้ยงสีเบียนเบียนมันอะไรมันเียบาถ้าไปเดือสายดอกมันจังกยานจังว่ามาแล้ว่ะจังหาสวนูใยพอมันไปบ่ได้แต่มันานอกไปไปังว่าเอกจะรัจะะว่าเจียวเอกามันผู้เดียวเจียวอยู่วเศรา นี่ล่ะอาสาลีร่างมันมามีร่างกายคู่หาสยัง่งมันอาศัยร่างกายเนี่ยเป็นผ่อมมันอยู่ไปเาําขึ้นมาดอกมันมาหนีหรือหรอกไปเราเค้นไปเราขึ้นผลที่สุดมันกลาวาไปทั่วเจนว่าเลาว่ะภาวนาเลาว่าเล่วะ น, นิจัง ขาดทังทีเนีอ่อนัตตารดไปว่าแค่เขาเป็นอนิจจังอนัตตาพระ อ, องค์ก็ได้เก็ธนนะวางกันว่าอุปัตตวาติคเวสัทธากาตนนั่งอุปัตตวาสัทธากตนะนั่งทิาาสาวะสท่าสุขมาธิตตตาสมานิยามิตาว่าอิางที ว่าอุปัตตว่าผิกคะเวผิดคะเวแต่ดูความผิดจิตงสารอุปัตตว่าเราเลาเกิดขึ้นมาโลกมัาทางเป็นอย่างนี้เราบริมาแจงโลกมันเป็นอย่างขึ้นใดอกมันเป็นยุคก่อนเราแล้วเรา เ, าเห็นไม่เห็นมันเป็นสิ่งยุคอื่นยุคก่อนเราถึงสาระ อนุปัฏานเากาคดันได้เกิดขึ้นมามันก็เป็นยิ่งซี่เฉพาแกะขาคดจะเข้าูุนิพานไปพอดีมันก็เป็นยิ่งซี่มันว่าเป็นไปยังอื่นดอกชีตาล่าธาตุมันเป็นธาตุธาตุนูนธรรมานิอนัสธรรมทิฏธรรมทิฏฐิมาตามะเนียมาตาธรรมทิฏฐมาามนียมาตตา มันไปสมุดทาเม่ง่านี่ยไปไหวนิยมไปสมุดเอาขาดนันเดียวว่าเป็นคนว่าเป็นซัดว่าเป็นต้นใหม่ผู้เขาเป็นผาเป็นแท้เป็นเงั่นเป็นพ้องเป็นธงเป็นหน้าดินดอนสารพัดว่าไปทั้งนั้นจะขาดทั้งหมดม้วนผลจาบดินจากน้ำแล้วขาดทั้งซี่นี่เหลยวมันไปว่าหลายๆ เห็นจนที่จะหนาเบ่งจนว่าว่าพอบนี้เนี่เน้นหยั่งล่ะบนเน้นพวกนี้ขึ้นมาใช้ขึ้นมาเห็ดก้อขนอถ้าพวกนี้สิวางเลยละมันทังลงก็ดอเป็นดินคือเก่าน่นไปเห็ดไทเ็ดหน้าใขุดมันนะเนี่ยมันทังลงไปสิวางเร็วยพ้นพคือเก่านมันเป็นของเชียงสิหรือหาว่าเป็น ให้เป็นพื้นให้ขึ้นหน้าเป็นพื้นให้หน้าเนี่ยมันก็เป็นหักดินให้หน้านั่นเดียของขุดมันเดียรวมแม่นดินอยู่ของเกา่าหุ้นลอยว่าไปเป็นอย่างก็หยุดไปอยู่ของเก่าบดไม่เกิดอั น, นี้สันันใดที่ว่าธรรมะเนียาาา่ยมัตาธรรมะิสต า, า, าธรรมะเนี่ยมัตานะ่ะไปสมุดเอาพาดมันตั้งอยนะู่หาน่ะวาดไปสะพวอสะพุดตะบุบพืพนาาา้นธรรมะเนี่ยมัตานี่ย่อมไปทับพัด เขนี่ยสดมกกันก็เป็นธาตทั้งซีโยบ่ไปเป็นหมาเป็นหลังล่ะเหตุ น, นั้นละ ว, วา่าวนใหม่ส่วนใหม่มันกับวะสอบละว่าง่วงวะกล้วยมันกับวิ่งสอจนที่สุดละว่าวแขงว่าขาตินเมื่อเล่าก็บวิ่งสอบเป็นจะละวาววะเมื่อเล่ายู่โปอยู่สี่หรือนั่งดิบกลาง้ายมันกับวะอวววาาื้ออาวาวื้ออื้ปออไปตามหลักมีกินกันล่ะ นิ้วสั่นนิ้วไหวมันสั่นนอมันกระบอกอือสั่นมันกระบอกตอบตัวหัวก็ว่าน้อนั่โตกับฉันด้วเสริญโตกับชิเขียนด้วโอ้บังงามเว้ยแต่มันเางาคือกันว่าพูดกนบเจ้ามือมันเหงาค้ากันชิชิงามเลยแม่นอลิชิบังงามกระแม่นโตและนึกเอาะ่าบนในมือมันชิว่ามันกูเหงาค้ากันกูกัิงามเลยแม่นอลิชิบังามมันเราว่าโตหักนึกโตหักหลงต้อคิดโตหเนี่ย ว่าโต้นั่นีอ้บ่ดีตัวห่างกินสด่มีผู้ใดพ่พุ่นก็ไหตัวาบ่ผู้ใดบัพอุนพอวนรับอันเบียดเบียนให้ตัวห่าตัวเนือตัว่งกินเน้อตัวเท่านี้เนี่ยผลนี่ยึกาตปฏิบัติกสยละอาุกกับบ่ผู้นี้สว่าเสทรก็ไห็้อุกเพราะว่าอตัวไปคิดไป ให้เป็นๆยังสัน้นนั้นนั่นขันวานี่จังกลับไปว่าน้ำ น, น, นู่นนั่นนี่ว่าน้ำเหนือน้ำนังว่าน้ ำ, นำนนกระดูกก็เดี่ยวน้ำซับน้ำใสอันนี่จังมันก็เป็นอยู่ของเก่าสิว่ามันเป็นอันนี่จังยังว่ามันก็บอกเด่นยังว่าธรรมทิตต า, านะเป็นยังไงยังข้าตู่ยืนมันเป็นอย่างนี้เลยล่ะโตกว่าไปตามเรื่องของโตบัดู้โตวา่าหรือว่าบรมยัเนเจลาว่าจะลูกว่าเจดีไปว่าเจนอื่นนี่ล่ะ อันนี้เอาคนว่าสิมควันไก่แมงวงกับแมนโจลบันผู้ว่าเราบอกออกไปว่าให้มาเข้าคนไปว่าอันนี้มันว่าอิงหยั่ง่นว่าลงไปลงไปยุคเขาพคนไปลูกค้ามจิตัวว่ามันแมนว่าโจลูเล่าลูกล้ำขานเพราะว่าโจลูเล่าโจลูขาดลูกขันลูกขันหาเพราะว่าไปเส้นที่แหละบัตผู้บักเปนผู้ว่าอยู่หันคนบปรูกมันจ็กเทียเนี่ย อันธรรมดาคนยิ่งสัตว์ก็ดีเด็กสี่สัตว์มันบ่ถูเกิดมันเฉยลมันสิสายเหตุใดมันสิเก็บไปว่าเจอืนึ่งเห็นมันเก็บสูวมันเห็นได้สิเก็บใจเป็นสิก็ดีมันจัว่าใช้มันทัเหนียวจ่งแบบจังแบบคิดว่าปลูกขึ้นมาเหนยวพอเห็นนันไหนเอานั่นเป็นหลักจับเบื้องต่ออยู่หันยากเยาว่ามันยากว่ามันเป็นได้ยังสิมั่นเหมือนกัน โอ้มันบังเป็นเครื่องหมายใจ่ที่ขึ้นขึ้นนี่แสงความรูออกมานันมีอยู่นี่นี่กูเจเป็นเครื่องหมายขันฉากู่ารูกูเจย่ามันมอีกล้กูเจียช่วงขึ้นีกต้นของความรูมันเกิดต้นของรูอยู่ในทิ้งเราเห็นอยู่นี่มันคะแนนครอบตัวรูละกูเจีวั้นแสงมันขึ้นไปขันบวณที่บอกคือเจ้าคือรูบัตรต้อ รูบอะรอันทิ่ไปยกหาคนหาอะไร น, น, นี่จะของเก่าเราไปหรอไหวเห็นยังี่กูอยากเขนอก็นี่เอาไปนึดเพ่นหาคนหาของเก่าล้วไปเห็นๆแต่ว่าเฮ้กูเห็นไม่ด่จังเพราว่าบาเบื่องเขาไปแยกแผนของเกา่าเน่ยนี่น่ของเกา่โเกาโบรบอมแมนโรจิตเจีเจย ตวลูกจักเียเห็ุนี้ยังลงทรายจนนี้มนันเพิ่งกระพู้จักรเสียผที่ชื่อกันกนนั้นตัวขาว้าพเจ้าองี่แหละให้ทวนมาตามแสงมันด้วบริษัทด้สึกจะเสียด้วยจิตไปค้หคนหาพลอะไราีสกรณเหตดกนอจัานนาี้มันตเหยียบมูยิงส่สอนมูยิงสินี่ล่ะยงังไงเอาเอาคิดเพ่อองอันนั้นให้เห็นแสงมันสะพ้านว่ามันสว่างได้นี่มันจะมาเห็นอัน ที่เราเบิ่งอยู you, ่เนี่ยแต่มันเบาสว่างมันม่มีเห็นดอกก็ใ yeah. ช้ข้นตาบอดนี่มันเบกบอดเช่มันตาีอยู่ดิมันเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยแตงมันมาเห็นอยู่อันเราเบิ่งอยู่เนี่ยเราจีบเช่อมเส้าแสงและเส้นเสหัตัวมันมันยังสีบจได้ถึงที่ละคนที่สุดกับไฟพิษไฟท้วนล่ะเนี่ยไฟพิไฟทวนให้รูจับมันหางลบบจากทิ้งที่เห็น ไอยหนึ่งบ่อโป้ะหนึ่งบ่อสนิ้วบ่อให้มันเห็นมันถอยไปที่ Aí, จนว่ามันหางไปที่นิ้วบ่อสามอยู่มันถึงบ่มีบ่อกรอมันถึงรูมันยังเข้าขีดไม่ใส่สะเกียนคือเราบอกไม่บอกว่าคือเรบอกว่ต้องว่ามันถึงรูบึกขึ้นรูอันนี้เพราะมันถึงรูมันถึรููบึกขึ้นรูหรอเนี่ยมาดูส่ มันจะไปสสว่ากันได้หันเหว่านิกจังใช้มั่นมันมันมันจิตไปว่าใช้อื่นหรือันเนียว่าใช้มันมั่นนะตัวเนนิกจังตัวไมนไปว่าเขายืนนั่นมันกับตัวนิกจังตัวนั่นน่ะเขายูนซื้อตัวไปว่าว่าเด็กมันก็อยู่ข้อเก่าเป็นธาตอยู่ข้อเก่าเนี่ยตัวว่านิกจังของตัวใส้มันเกลื่ยไปสะพืดมันกับมเป็นไหวาณาวาไปสะพืดทุกวาไปสะพืดมันบ่เป็นไปออื เด็กยังนั่งจังหวะเสื้อผากายกับเสื้อแขนว่าไสมันเป็นของยืนซีละมันม่งร่างกายคุกมันมันใจถุนเป็นผู้ตายมันเป็นผู้เปลี่นที่เสมันประุกกับดอกเนี่ยมันเป็นที่เสื้อเห็นนังงี้ว่ามันเป็นบาดเป็นแผลขามึงโดูมึงเป็นบาดเป็นแผลมึงเก็บบปะมือขาตัวแขนว่าเป็นดูมันเจวออกวะเก็บแล้วมันชีว่าให้บอกแขนขาว่ามันเป็นบาดมือมันชิว่า มันก็ซ you know. you know. you know. ื่อๆอยู่ของเก่าแหละเพราะมันโมจ่กนี่เห็นไหมเจ้าลัทธิวานิชจาอนิจังแท้หน้าตาแท้ก็ของเก่าซื่อๆอยู่คนเดียวมันบอกเห็นยังให้เหลีวเสียมันเบือนายเสียมันนี่กล่มหวาดกลัวมาร้วบมันบอกเห็นหรืล่ะขันไปว่าเสยมันขันมันถื่อมันก็โง่เื่าขึ้นมเดียวมันก็เศร้าเดียวความมันคิดมันหนึกมันตูวเดียวเกี่ยวไฟมันก็เศร้าเนี่ย พอมันเศร้ารลกอดมั้งที่ว่าบวกนั้นสีมารมัญฐานาม่านที่กิเลสมานเนี่ยขันธม่านมันก็ทำร้ายเพียงเดียวเนี่ยบ้านมารมันฐานะมันผูกบัญนานะไปว่ามันถูกมันก็แก้ผูกออกได้แล้วบานเนี่ยพอมันที่แก่น่าเห็นมันแก้ยู่นั่นแก้ยู่นวันมันเกิดึกิเลสมันมันมสีอยู่ในกายมันอยู่ที่ไก ยังว่ากิเลสขม่านมันซีกอดี๋ขันขม่านนี่เถี่ยมันบมแนนมันจิตเป็นของเป็นม่านอยู่ในม่นมันเป็นอยู่หัวใจของมัม่นใจน่ะมันเป็นผู้เป็นขึ้นมาเองมันเป็นด้วยอัจฉริวะวิหันมันเป็นอัจฉรมันเป็นม่านเปล่มานสารพัดอะไรนี่ล่ะมันกลับไปแก้ได้ซะส่นเดียวมันก็สบายว่าขึ้นซะส่นเดยวผลอีกสุดมันก็เชี่ยเลยฮะนี่ว่ามันโมีดอกอันนี้แขงอยู่เมื่อเดือน ๋ัมีดอกอนัตตาอยู่บนเดินมันมีดอกถรกอยู่บนเดินมิจเอยู่ในมัน่านีแล้วเมื่อหากคุณูดแก้มั้นเส้าแล้วก็ะเส้าเบิดอางนั้นมันมีบันไดที่เป็นจังป็นอันนี้จังอยู่บนใดหรือมิจเจจังมีจังแต่ว่าเที่ยงพอมันเห็นมิจเจรู้นอกร่างกาัยอัตตาเตอวตนอนัตตาแตัว่ไม่เคตัวตนสูงเต้า มันก็มีกระรููมันก็ได้ตัวอัตตาสะเสนเหลวเนี่ยกระสอมก็ว่าเป็นผู้หาตนสะเสนเหลวหลได้จนยี่หลี่หลุดได้ใุกยี่หลี่งือนยังสอบพัฒนวัคเชียได้อรหันนั่นแหละหลุดไล่ไปพระองค์ไปสอนทรงไปสอนสามหมู่บ้านของ่บ้านต่างๆอืน่นแทมพระองค์ไปอีกเลยเนี่ยเพราะได้จน อันนี้เราจิไปหาถ้ำเราก็หาถ้ำหาท้ำเออหาไปไปใช้มาได้ไม่ถ้ำเนี่ยเราะว่ารูปร่างเป็นกบะถ้ำอือจิตเป็นกบะหน้ามาถ้ำรูปกายเป็นกบะหลุดราถ้ำจิตเป็นกบะหน้ามาถ้ำแล้วอันนี้มันกับท่านห่งที่ค่ะนองนันอนัตตาเป็นก่อนัตตาถ้ำอันนี้จางเป็นก่อนอนนี้จางถ้ทุกเป็นกบะทุกขถ้มหลดมันก็หลายเหลี่ยวอเดีย สังขารเพิงกระลาสังขารลาถ้สังขารลาลโลกไปเิียเียวรจากเก็ตเอาจงไหนได้ถ้ำเนี่ยเหตุนั้นจ้งว่าคันว่าหาถ้ำหรือมึอพวกย่ยางได้อยู่บุ บ, บ่ยิ่ทยุอยากคันว่าหาโตหรืหาได้ยากเหตนี้เราจงให้พ า, ตาคตั้งแกหาโตได้โตแ ล, ล้วดรามันจ้งกีนจากอนตตาเพราะมันได้อตาได้ตูรู แล้ไดตัวแล้วะไัก็ี่ได้พนจากอนิดจังอัวบถุกมันกิได้นิดจังแต่สดิเที่ยงเพราโตนั้นบ่ือเป็นหลักอย่างว่าเลวว่าสบายมันเกิดขึ้นมันก็เห็นมันหายไปมันบ่หายไปน้ำสบายหอกเพราบ่สบายเกิดขึ้นยังเห็นบ่สบายอีกเพบ่สบายเกิดขึ้นมันก็รับขนอยู่หันหลักทุกรอดมันถามันหายยี่หอั้นเนี่ย มันหายเ็นก็ดีแล้วลราพี่กหนา้าให้มันหายก็ดีมันกระบอกหายแต่กรบอกสบายละมันเกิดสบายกังเ็นอยู่ว่าไป้มีไปใส่กะเทีย่ยลูกเป็นหลักจริงจังยังว่าอัตตาเห็ุนี่เราให้ได้อัตตามันจังไครที่ว่าเป็นผู้พ้นภกมิสมกับกวกพัฒนาบรที่ว่าพระองค์ให้ว่าหาจุวยดีหาไปเห็นตัวก็เลยเป็ น, น, นอราหารันนี่มันจริงจัง เหุ้นี่พู้ได้อรหันมันล้วนจะพูดเห็นตัวแล้วพูดได้ตัวทั้งนั้นแหละจนว่าได้อรหันสงกวัฏสันุปิปนผู้ปฏิบัตดีหัวใจนั่นหละมันยินมันดูแกอนัตอนนี้แงอนัตตาให้มันเย็นลงได้แต่มันบมเมนสมันขาดได้พอเมื่อใดมันไม่เห็นตัวแล้วมันว่าอันนี้แงอยู่ในมันไหนนตา ทุกจะได้ว่าขาดออกไปมันเดี๋ยแจอัตราตัวจริงปลูอยู่ข้งสั้นมันจังจิเป็นปุ๊บพ่นได้จริงจริงอย่างนี้นีน่แหละเหตนั้นถ้าเราได้อัตตาตัวริงมันจังจิตเป็นผู้พ่นจากความเป็นเหตุเป็นผลพ่นจากหน้าลากอวิกิขันเท้ามาได้ตัวอยู่ข้างซีเออมันก็ไปเป็นไป็ตัวซี่อละยักษ์ตัวนี้หน้าโลากนี้แหละหน้าราคาพุคาร์โลหน้าราคาแต่หน้าราชาทีา่ใช่ พุกาโรคแบบ้มในหลามมันเจนนารกเนี่ยมันวันแม่นาโรคอยู่ในวันอื่นดอกมันอยู่สิ่งใหญ่เนี่ยเนียงซีล่ะเห็นไหมในหนังสือพจนานุภาษานักเข้าใจว่าเป็นสิ่อื่นคือวันน่ารกาไี่ใช่หรอกนารกนานาากาแต่ว่านารคเนี่ยหาแม่นาลากาบนแม่นารกานากาแต่ว่านารคนาากา ตละใช้ตัว น, อนอั่นเยอนะชชว่านนระฆังยิ่ชาตัวยิ่งใช้อาตัวเท่เท่าดีแล้วยิ่งใช า, ชาเหลเป็นตัวนรกมันห้าอมอยิง่งหนีด้วยย่างเทว่าอายุีดยิงิไอ้ขีดก็คิดเดยียวอายุก็เดียวมันห้ามเลยบีออยินงนั่นแหละคนนั้น ก, นกันเรียกว่าสามนารกให้มันขึ้นมาเขามาแผละมันใหม่ตัวแล้วให้ตัวรอดเอมแล้วว่ามีไฟนรกทา้งหมากเกิดแตตัวละ ส, ลสาม คตัวคิดเป็นอกุศลคิดไปทั้งโลกทั้ทงปดทั้งรักทั้งอยากเลยปัญหามันกเกิดห้องสิ่งเดียวเป็นไฟสีไมะเส้นียวอกคิดกันโตรักกับที่หน้าอัคิแลว ไ, ไฟรากาเป็นไฟเสรรั ก, กที่หน้าชอบปวดเป็นไฟมือหที่หน้าชอบหลมเป็นไฟมือเผาขึ้นเป็นไฟเผาขึ้นลงเดียวเห็นไหในธรรมชาติของ ร, รอนโผลวัดพาหลานคิดตลอดการไปคิดเพีนงแต แล้วเราบูธิส้นยิงคือกลิ่นรอนอยู่ยิงสี่เอยบ่มีดับลงเด้เลยเหร่านดับเลยมือหันจคเพียพอมาคิดเฉยมันร้อนอยู่บ่เทาบ่ที่แกหน้าเห็นความชกกระพกบ่ที่จะหน้าเห็นเป็นผาบ่ที่จะหน้าเห็นเป็นอันความส่วับเป็นโลกเป็นไผ่เป็นตัวคุกตัวร้อนหาเบียนนายหมันเทาจากคิตหามันร่วหมายมันสบายสิมากรบเห เราไปให้คิดเผาตัวยึดสั้นตัวหักคิดตัวหักวางคู่เดียวตัวยึ่ยังตาไมแล้วน่ะอย่างนั้นนี่แหละจะให้มันดีได้อย่างไรเนี่ยใช่ไหมเรี้ว่าตัวรักตัวหรือตัวซักตวเองสั้นนอนนั่กับนั่นทานตัวตัวเนี่ยที่ว่ารักตัวเชไหนกันสั้างสมัครกันว่ารักสมาครจะเอาความที่สูงสั้นนอนนั้นฝูท่านหลัาชั่ง้อยเงินท่านตัดีฝูดท่านมันคิดไปตั้งหลัาชั่งลอยเงินท่นตัดีท่าน นี่เผาตัวเพราะนี่อักเสบนี้ซีู่ดิมันก็ลร่อนเขินทันที่อืนเลยแล้วเพราะว่าตัวรักตัวผลที่สุดตัวเผาตัวเพราะว่าตัวรักสาวขงสั้นรักมันจืีอยากเป็อย่างเนี้ยเผากันซะ้วยชื้นโดยไสกันซะในปัจจุบันมันแล้วไปจักจะเป็นอย่างทีว่านั่เสียเสียมันจะช็เกิดการระอบอยู่เสมอเอาไส้เผาอีกทมมันจะว่าสมเชิงสิรักเป็นที่แ่้วเป็นอย่างเนี่ยมันเล็เรืว่าผู้เหตุทั้งสั้นเพราะว่าพวสร้าตัวพัฒนซ้าตัวเพราะว่าอีละ ตัวเผาตัวเด็กเพราคิดแ่บ่สาตัวทั้นโสลาเนี่ยนี่แหละมันหลดเป็นพูกเอาดีทัดไปเพราะปันกันก็ว่าเอาขี้ฝอยพกเหมานมันหลุดหมดกินอันนี้รับใจว่ามันหลุดให้ทุกี้ขึ้นซีเหลวไม่เห็นมันหายได้ขันบ่ขี้ก็น่าอังสิมเพราะหายหรอกนี่แหละเป็นศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโคอยากเป็นพุทธะต้องให้เดทตัวเห็นตัว ยังิเป็นพุทธะต่อผู้รู้คุบารมีเพราะตัวรู้ก็ได้แล้วมันว่างเหรออนัตตาอ้จังว่างเลรุกว่างเหรอสุกาอันติบัติแต่วาว่างสิมติเหลือใจมัยจมนยังว่าได้พุทธะได้ตัวนละเมื่อสร้างข้ากันมาได้ยินเดาสร้างชงจดจ่ำไปคือกองไปที่ก้า น, นา้วาปฏิบัติไปเดินเดือเดิน ยองกบนางสมาธิตั้งใจปักเรื่องให้มันเห็นตัวไอ้มันเป็นชุปฏิปโนมันเป็นอุตจุกงงอยู่จังซี้อย่ามันรงตายแต่กดโง่ไปตดจีบยังสั้นมันจิบเป็นชุปฏิปโนชุปฏิปโนง ไ, งได้เราคิดว่าเป็นพุพทธบริษัทพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยมันโมแมนต์ตัวนี้ยวละสีตัวนี้เด็ดยังเสียมันจิเป็ น, น, ปนยังไงเนี่ยเห็นเป็นแบบ หลีดหลอกล่าหลอกคำสอนพระพุทธเจ้าเส้นสัวมันบ ม, นนมเมนต์เหลียวยังเสียแนี้ถึงมันจะเห็นมาแล้วก็ตามยังเรามาบวชกันไมย่ยังเสียมันต้องหักถ้ามันเป็นตามพระพุทธเจ้าเรือเนี่ยพระพุทธเจ้าวางในจังเหตุกานณ์นช่ น, นที่ว่าคูกเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าหือเน่ยเนัถ้าบอส้นัตวมันก็โมเป็นแล้วลาวชื่นเดี่ยวแหงเป็นเดียร์ีทียิ่งปาหลายเดี่ยวเนี่ยเดี ย, ยดรศีมาบวชนโพง คนดัด ก, กันดานอหยุ่ไปปีหนึ่งหรือสองปีควันให้เขาึดดัดปฏิบัติให้เขามูอได้ในระเบียบการทำกันไปมากยุ่งกินคนยังที่เอ า, ขออบบาเขาไม่งูนอนงานคนหอดบ่เอาซ้ำอยังงในนี่พวกเดรัจฉีพวกผู้สั้งหกพวกเป็นผู้สอนเดรัจฉีอยู่งนะคนบ่เอาแล้วนะคนที่จะหน้าแล้วว่ามันกิ่บ่เอาเลยสอนในบ่ฟังบ่ฟังเสียงเราสอน เนกระปั้นถิ่นเยอะเด้อเห็นนี่เราก็สิเป็นไห้ว่าพระพุทธเจ้าปัา้นถิ่นขันธิตเล่กากรอยากคนทุกข์แล้ยังเป็นผู้มิปาเป็นพุทธบริษัทมาบวชหรือมาปฏิบัติแล้วก็เราก็เห็ น, นแต่ไม่เข่าแบบเข่าแขนพื้นที่มันยังชีได้เนี่ยน่ละเป็นศาสนาธรรมขั้นสอนทั้งอุนเจ้าตังต้งซักการมาในยินในฟงังจึงจดจําไปคึกกองไปพิ่เจนายลูกแก่ยิ่งจิ้นขึ้นจิใจตั้งใจปฏิบัติกันโยดังตนรู้ เป็นบุญของตนทุติเมื่อได้เชื่อว่าผู้ยุติความเมืปอความอายมี้แต่ความชุกกรรจ์เงิญงอกงามในศาสนาของพระสมณะสำพุธเจ้าสุกสันติการดังแต่รัตพทานอิศชนามาเอวังก็มีหน่วยประกาลักษณะอยากท้าวริวอาภูราภิริภูเรนติสาตรังเรวมิเรวิโสทินางเิตนางอุปปัตติ อิทธิ์ต่างปฏิต่างตุยหังอิทธิมวัฒน์มชาตุสัเทตุเรงตสังกปะจันทุก a นนาราโสยถามณีโสจราโยถาสัพพิโยยวัชันทุกสัปโรคุยนสตุมาเตภวตันตระโยสุกิติกายุคุปวะอธิวาตนาสีสานิจังบุธาปัจจายโน่กัตารโธมบาทันติอายุวะโน่สุขังา